มไม่พึงใช้สามเณรอุปถาบ 4. ไม่พึงรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีห้าแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. ไม่พึงต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงตัดชนียกรรมอีก 7. ไม่พึงต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 8. ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้น 9. ก้าไม่พึงตาหนิกรรมสิ 10. ไม่พึงตาหนิภิกษุผู้ทำกรรมสิบเอ็ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกตัตะภิกษุสิบสองไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตัตะภิกษุสิบสามไม่พึงทำการไต่สวน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 อัฏฐานะวัตตะในตัชนียกรรมจบ